ตลอดเวลาถ้าหาวเหมือนตอนล่าสายตามันก็จะเป็นไปอย่างนี้ดันั้นเพว่เราท่านทุกวันทุกเวลาพอที่จะมีโอกาสภาวนาํราระจิตของตนไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาเย็นเย็นเวี่นวายนอกจากกิเลสภายในนอกจากใจของตัวหลอกเรี้ยงตัวเองว่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนั้นเป็นอย่างนี้ ไมมีการชำระสายสังไม่มีการพิจารณาดูถ้าเราเชื่อ ม, มันจะมมมนเชื่อลมๆอย่างไรไม่มีวันที่จะจะเดือดจะบานให้มันจะโกหกพักลมด้วยใครเราจะหักห้ามมันเรามาสําระาสายสั่งในความความขาดความเพียนหนาจี่ของเราจะเพียนแค่นี้สัญญาอารมณ์ ภายในตัวหน่อยได้ใครจะมาทาให้ใครจะมาทราบว่าจิตใจของเราคือคิดคิดถูกอะไรนอกจากเราจะทราบในตัวของเราเองความเพียนทงังสาวไว้ที่แบบเป็นความเพียนสามตะพานทั้งสี่สังเวรประทานเที่ยนระวังในความชั่วถ่ายนอกจรองเข้ามา จิตใจรายจายใจทงตนหักห้ามระวังเอาไว้อย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันมีม า, า, าจิตใจรายใจใจนี่จิตสั่งมาละตัดทานเป็นระวังความเชื่วที่ออกไปไม่ให้เกิดขึ้นแต่หานตัทานความเทื่อที่มีอยู่ในใจทิดเชื่อภายในความเฉลี่ยประหัดตัดหันสิ่งเสี้ยอย่าไปยึดไปถืออย่าไป แบบไปหามเอาไว้เนื้อภายนอกไม่มีไหลเข้าภายในยึดออกอยู่เรื่อยข้างในโม่โอมุ่งในไหนในที่ไหลเตนมมามันก็เนืออก็เห้งก็หมดก็สิ้นไปถ้ามีทางไหลเข้านี่แต่ทางเอาออกมันหมดไม่ได้อะไรทางหากักไม่มีมาเพื่อนเติมมันหมดนี่คือความเทียน ผู้ พ, พุทธเจ้าสอนสังวรประทานประหารประทานภาณาประทานเยี่ยมทำความดีเยี่ยมคิดดีเยี่ยมพิจารณาดีเยียมรักษาความดีเยเลยี่ยเลี่ยเยียนที่เราเคยรักษาขอรักษาสมาธิความตั้งมัน่นของใจความสงบภายใน ก็ให้ทำที่เห็นแล้วรักษาไว้ที่ยังไม่เห็ น, น, นหไม่เป็นพยายามทำให้เห็นให่เป็นให้เคยคุ้นชินรักษาความดีต่างความดีใส่ใจวาจาใจองสนนี่คือภาวนาแต่ทางาจิต่างแจ่ไใจิตใจองสนมันจะติด้อง เกิดเผลอลืมหลง ม, มัวเมาในเรื่องต่างๆชำระออกไปหใ้ใจสงบหใ้ใจเย็นห้ใจตึกหใ้ใจสบายอนุลักษนาประทานรักษ า, ก า, กาความดีที่เตื้อสร้างเอาไว้เตื้อทำได้จะให้เสื่อมให้เสียไปมีเจยียวกว่าความเพียรนอกนัอยอย้นไเหียวความเพียร คามเียนท่าสี่เพีว่างกรมีอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ใายที่ใจของเราจะทราเรื่องเหล่านี้ใครเล่าจะไปเอาความชั่วมาสาปทาจิตใจของเรานอกองเราเอามาเองวิจิตรหาเรื่องต่างๆมาก่อกวนจิตใจให้ว้าวุ่นเมดบอด เนเรื่องของใจเองแสดงหามาเพราะความไม่ระวังรักษานที่เหิือตันหาในความเชื่อช้าต่างๆแอบเขาจิตใจเกีเยวว่าเวลาไม่สบายคิดเงอยู่ตลอดเวลาความสงบไม่ได้เราก็ตัวหนึ่งรักษาแต่ในจิตใจไปเกี่ยวข้องสัมผัส ปัญญาอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยใจจึงเนีรับความเยื่นวายเดือดร้อนอย่างนั้นเวลากอ่อป่วยใส่มาหายใจท่องตัวก่อป่วยได้เวลาเทน่นี่ยมีปัญญาแจ่ทําำละสายสางมีใจจึงเยื่นวายขัดข้องหากทำละสายสางสร้างวอนเล่ า, า, าล ว, วังไ ม, ม่ใหความชั่วไ ม, ม่ให้อาธิมมาเกี่ยวข้องกับใจ อาธราที่มีอยู่สําระไปไม่เห็นเหลือหรอใจนั้นจะไม่สะอาดไม่สบายอย่างไรใจจะไม่สงบไม่เยอกเย็นอย่างไรจะมีภัยมีเวรมาจากที่ไหนเพราะใจไม่มีภัยมีเวรไม่มีอะไรมีภัยมีเวรใจพ้นทุกข์ใจถึงความบริสุทธิ์มันทราจากการต่อที่ปฏิบัติไม่เคยทราบจากสําหรับจำรักท ร, ร, ราจาก การปฏิบัติของตัวเองม่ามันเป็นอย่างไรความสุขคี่พระพุทธเจ้าวา่าหนักสิชั้นติพลังสุด ข, ขังสุดอื่นยิ่งต่างความสงบไม่มีความสงบจากที่เล็กมันเป็นอย่างไรเราจะทราบภายในใจของเราโดยการต่อพื้นปฏิบัติโดยการภาวนาของตนฉะนั้นการไปวิเกกวกควาห่งนั้นเป็นวิเรกตายวเวกหมายถึงดี จิตส ง, งบสงัดจิตนิ้วเยหมายถึงจิตสงบจากานิวรณน์ทั้งห้าีตมาสัญญะพยาบาทสิมาน้ทะมันก็จากจิตจากวิจิตรานี่เรียวกว่านิวรัวท้งห้าทางจิตทุกตในเรื่องเหล่านี้ยอยู่จิตไม่มีสมาธิจิตไม่เป็นยิ้เยวเยิดทาจิตส ง, งบ ร, งบระงับจากสิ่งเหล่านี้ทลาจิาตเป็นสมาธิ อุปทิวเวอุปทิ่เวมหาชนทิ่หมดที่เหลือกัรหาไมนนีสิ่งใดที่จะมาก่อความิดใจใส่สงสัยใส่ทำร้าใส่ดำเนินอีกเหตุว่าอุปทิ่เวเพื่อสงบตลอดเวลานัดสล่เท่านันที่พลังสุกขังนั้นมาให้ทิ้งท่านที่สุดคืออุปทิวเว ส่งพธจาขนและเสิมเยิม ย, ยอ่อเป็นความสุขอันเลออันเปรตความสุขจิตเคยเป็นกระจัดเป็นพจ่าเพาเยงยินอยู่ในกลางสารสาส ว, าวางังมีแต่น้นนาวีเป็นหมื่นม น, มนท่านกเคประบพบมาความสุขที่มีลาเย็บัและเสิมขนาดไหนท่านเคยประบพบมาท้งนั้นแต่ความสุขเหล่า น, นั้นทำในในทิ่ว่าเป็นความสุข ยอดเยี่ยมหรือหรือเป็นความสุขอย่างยิ lire, ่งเหมือนจิตที่บริสุทธิ์เป็นนิมุติแต่คนทั่วไปไม่ได้เห็นจึงเกิดสงสัยว่าความสงบของใจที่ว่าเป็นสุขยิ่งเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยเห็นจะบอกให้มันก็ไม่รู้หากเห็นหากเป็นภายในไม่มีบอกใครบอกให้ไม่ก็ัวชาเหมือนลื่นของเรา เอาอะไรเข้าไปมันขมมันก่ทซาบมันมันมันก่อซาบมันหวานมันก่อซาบเี้ยวก่อซาบจิตใจเราก็เคยประสบพบผ่านมาความสุขต่างๆนานาจิตเราเคยประสบเคยเห็นแต่ความสุขเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็ไปจกักในจิตในใจท้องตัวแต่ความสุขอันเพ้นมาตที่เดลือปัญหาหมด ไอ้ชาวตาทามหมดยึดเปลนแต่งเพื่อไปสงบหากจากโลกเป็นดินุทเป็นอย่างไรแล้วก็ทราบเหมือนกันในนี้คนอื่นจะมาทราบให้เหมือนกันกันกบรถต่างๆที่เไปสัมผัสกันดินของเราเพราะเราบำเพ็ญกว่าจะเห็นกับเป็นอย่างนั้นคเคยจะพบมาความสงบ ลองเรียมของจิตใจความละเอียดอ่อนของจิตใจเป็นระยะเป็นเวลาเลย เ, ยเือดมาจนหมดกระทั่ถึงความหลุดของใจเป็นอย่างไรแล้วก็ฆ่าอีกขอทุกคนที่นพิจาราศึกษาภาวนาไม่มีไฮอันตรายอะไรเรามาฝึกใจของเราเกําหนดเข้าไปภายในมันสงสัยอะไร อะไรมันสงบตายห้看看ือมันไม่สงบมันสงบมันไม่สงบมันมีอะไรเป็นเดือดไงมันสงบตายใจไม่สงบอารมณ์ท่านยาอะไรมาก่อขวนจิตใจมันระวังใครอันตรายอะไรเปลียนไปผู้สายไปเกี่ยวข้องแย่แย่ที่เจ้านาดูให้รู้ให้เข้าใจ เนี่ยกาหนดเด็กไทยไหนมันจะสงบมันจะสบายไม่จะเรีงเรียมให้พอใจเรีงเรียงก็เกิดความศรัทธาเชื่อมัน่นความสุขของธรรมเป็นอย่างนี้มีความอัศจรรย์อยากจะจะ ท, าจะ ท, ทําบําเพ็ญใครได้ใครเป็นใครจิตใครข้ของอะไรใ น, นโลกไม่ได้เหินไปตามเขาไม่ไหลงไปตามคเขาพอเราเห็น ความอัศจรรย์ของใจสื่อสัมผัสในอาจทำที่เราบอกพูดปฏิบัติเราอยู่สะดวกสบาย ท, าทั้งทั้งที่อดอยากเย็นขนาดไหนเห็นภายนอกใจใจใจสะดวกใจก็ะสะบายใจกจเ ย, ย็นเย็นทั้งเซนทั้งสายไม่มีอะไรวุ่นวายหัดขอ้องหนีเจริญใจที่สัมระได้พราพูดปฏิบัติได้ ไม่มีภัยอันตรายตอกเวียนตัวเองพระพุทธเจ้าถึงันแลสอนวันสิสันติพลังสุขขังดรืออุปติเทธิ์าำสงบจากกิเลสไม่มีอะไรที่นเต้นใจเห่เศร้ามองไมเดือดร้อนให้เวียนวายให้ปุ่งปุ่งสงสัยอจะทำอะไรอีกคาม ดีจะมีอีกไหมนิพพานอยู่ที่ไ ห, หนผู้ตื่นคือตนอย่างนั้นถ้าในตากชนาะจะไปไหนนิพพา น, าานะานั่าานกำลังตากชนาเพราะเหตุใดเพราะธรรมชาตดีอยู่แล้วแว่านิพพานคืออะไรถ้าตากชนาะยังหายังอยากมันก็ยังไม่ถึงจุดไม่ถึงจุดที่จิตยิงจังมันไม่ต้องหาเพรเห็น ไม่ต้องอยากก็ราินเพราพอแล้ ว, มาาลวไม่ต้องไปพสุดแล้วเข้าใจในการไปช่วปฏิบัติของตนธรรมะเป็นกจดกณฑงของทุกคนที่ไปช่วปฏิบัติจะต้องรู้เห็นจนขึ้นในจิตในใจของตนฉะนั้นจนงพากันสนใจพากันภาวนาพากันที่เจริมาชำระที่เหลือ โอกาสเวลาหน้าที่ของนักบวชก็คือบวชมาํำระที่เหลือปัญหามาทำความผาความเพียรภายในสำรับใจของตัวหรือมีการ ง, งานด้านอื่นเป็นการ ง, งานสำคัญยิ่งกว่าการสำรับที่เหลือพ้าุณเจ้าเจ้าที่จะมีจิติสัทร์จิตวคุณเลียงรูและเดินมาตลอด แต่ถังทุกวันนี้กขอบพระท่านหมดที่ิลึกคืออาจารย์สี่ท่านนี้เสด็จไปเสด็จนี่คนนิยมค น, นชอบทั่วโลกขอบพระท่านมีใจบริสุทธิ์งานสละพิลึก เ, เป็นงานใหญ่เป็นงานสําคัญ ย, ยิ่งกว่างานทั่วไปการสัางพระพุทธรูปสั่งโบสถ์สั่งวิหารเจดีย์ใหญ่โตหัวฐานขนาดไหนนั่นมันงานเสี่ยงรวมก็ทําได้แต่งานต่างใจ มมีใครที่จะสั่งให้จะมีถ้าเกวดเปล่นจริงมากมาขนาดไหนตะมีใครที่จะสร้างจิตใจของเราให้แต่เราทำเหนือเกียรของเราเองเหนือทำได้จริงงานปรเจกต์ดีส็จยิ่งจากงานอื่นห่างใจให้เป็นพระให้เป็นเนรหเป็นผู้ปรเจกิ์ใหเป็นผู้สงบนนแหละงานของสมัยนังานของพระของเนป็นพาการจดจำ นี้พี่เจนะชำระใจข้องตัวอย่าไปคิดซุอย่างนั้นอย่างนี้ให้เสียเวลาดูภายในดูเรื่อยไปใจดีใจสะอาดใจฟองใสนั่นแหละคือใจมีธรรมใจมีวินัยใจสุขุมมัวสุ่งส่งลดจิดจีบของในอารมณ์สัญญาเกลียดปัญหานั่นแหละใจ บาใจบ่ใจอักุฝนใจเบาสอนคนที่ยานาน็นดูภายในเมื่อทุกคนตั้งหน้าภาวานาดูใจงคงตนอย่างนั้นใจถี่ใจฟุ่งเฟิงไม่สงบรังับกว่านับวันที่จะสงบระงเบนับวันที่จะสำรักภายในงคงตนให้คล่งใสสะอาดได้ ใ น, นจิดเนสอยเตวเองปล่อยใจตามตามตามเวลาแล้วแต่จะมีอะไรเกิดมากลัหอบที่หาถามกอบโต้เอาหมดใจแบบนั้นเป็นใจถังขยักไมมีอะไรของดีวิเิดที่จะตกมานี่จะเ่เศษกระดาษ ข, าา ข, าข้างเน่าข้างเน้นข้างเสียข้างปฏิเวณเขทิ้งใส่เราต้องรักษาหาสาปิดเอาไว้ตัวทำนะ จิตใจของเราอยางห้ิเดียตนหาราคาต่างๆมันเขาขวบเงินจิตใจพอมันเกิดขึ้นเจอยางที่เจอมาหาที่ทาไอ้ที่ทนมันปราทเงาเาี่เจอมอนิจจังหรือไม่นะธรรมะขอพระพุเจ้าแปดหนึสี่ขาทำมาขันสาัสทเจอมานมาแสบใส่ใจของเราท่านให้งดละงับได้ถ้าหากเรามีอุบายัญญาเราง่ ก็ไม่มีอะไรที่จะเช่ออะไรได้นอกจากเสียงเงินเสียีนตายอยู่ในวัฏจากตสังข์ทุกอยางลำบากขนาดไหนแต่ยังแก้ไขตัวเองมันจะทุกข์เหยื่อใจใจเป็นเหยื่อชำระได้เป็นเหยื่อ้อนได้แต่ชำระไม่ได้สอนไม่ได้ไม่มีพระวัฒนชาติไม่มีอนุตส่งถ้าใจทุกคนมันเป็นไจเหมือนกันหมดแต่อาศัยความถากความเทียนความอดควาทนความามนีนานะ ต่อสู้พิจะรณาดูภายในดูเหยื่อยไปแผ่นแจกขา่ทุกท่านแผ่นเป็นค้ที่ยิ่งเสด็จเสด็ได้เราเน่แจกใส่ท้องเรงงเาแต่ร้ง อ, ดด อ, งรองให้เอาบักผลบ้านก็ไม่มีทางที่จะได้มาถาเราแจกใส่ไม่าธารณะม่นจะเกิดทิศเพราะสิ่งที่เราทำในทางดีผลดีจะตอบแทนให้สิ่งที่เรา ทำเสี้ยวลงไปแม้แา่ถนาฝนมันก็เกิดขึ้นมาให้แตัวของตัวแต่นั้นทรงสอนใจของตนจได้ใจของตนเดี๋ยวจะติดัญาทีนี้พิจาาภายในใจกวจะสงบผองใสการอธิบายธรรมจึงเห็นว่าพอสมควรเสยเวลาพอหยุดที่เรองแคนี้บจ ข้ามุ่งเผาข้าเานี่ังไมี่่่หก็ทาเหอนอยได้ะหนใส่ใจนแต่้ง่ึงด่ได้นแ่นนนีเลย เลยจะม้งไม่ได้เลยยังไม่เงี้ยวัวดบุกฟันเลยวี้้หัวใจมาด้วารีหูตะข่วงผมเื่อกระดานโผล่มาหมดติดแคบานี่แค่หนึ่งปีไปจะฟ้องยังเพือนม่นื่อจะฟ้องเอวเหมาปันหาเงินหาตัง Ką, มันตเลยก่อนตาเก็หาบุคคลอย่างเพียงตายแค่นั้น่นความนไม่ะหาเรนี้เหรอก็ไล่ย่ับ แ่แค่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็เลยอยากคิดต่ออันไหนจึงข้อนแต่เราเกิดข้อใจอยากไปจิตจิตใจอานนั่นคือเราอยู่ที่นี่หัวมีสบัติเป็นการเปลี่ยนด้วยจิตเองจิตปนสบายกันหมเนาะคนเราแต่วันนี้ยไปอื้อจิตใจ ยังยังยังของไปใส่้ด็กเยังเป็นยุ่งปครเนี่ยไปรู้ได้ยมีเท่ามีใส่มีของทุกเปไปเวลาเวลเวลาใหญ่เวลาหเียเนดี่อนนั้นมันหิ้วนอ่ะี่เขาหิ้เกวน ขี้อายก็ยังมีุปน์ลาไเ้งงงางินพิจาอาัยอย่าเาหลบ ของชีิตขมนุษยให้ทาปัใจซีเองจำมขาปดใจซีน้ควุความสบายให้นี่คือชีวิตปัจจุบันีอันนีควบกันเหวอตรงี้ัใจยังท่าเตียนท้าไปัมีความสุกความเ ความห่วงความจะเล่นตามข้าสายสัญญาที่ใหญ่ตาแล้วบเป็นตีย่าบบพัตุิเป็นีย่าวัาบบสามแต่เป็นเ้อคาัดหาระาประดับปดาีความหวความสบายเป็นใ่เลยหลาย่าิดในเ็นี่สามถ้าไม่บหมเรบเดียวกันให้ นมั้องการมีความแม่คนเิ่ได้นาดได้ก็ยใหญ่ให็เพรเลยากเอาไว้เต็มไปทั้งเอาไว้เมกลัวไว้ัเาทำอรน้อยแหละมาดูเขาเป็นเป็นสง ต้องคือโยเดือดหนียวหอนใจเนี่ยอากคอเบลล์เปิมคือเบลลนี่นีเดือดนีเหาก็นน่อยากนี่จิ้มแบบโยกข้อ่าทนเอไม่ใส่หัวเหง้าคนอย่าลมทิตงทังสะท้าคุณท่านดียังน่ะเสียเสลาอันนี้ไปเลียเสลาอันนี้ไปเอ่อเชงอเชงหาง คนหนึ Ye, <os> B B ่งคนมีมีความสุขหรือดูช้าดูสิเพื่อนดูช้าใส่แล้มีความสุขความสบายมีเส้ยินอย่างฟองใสจะอัตราไปเราไปดูความสุขความสบายจีิลๆเราทำได้จริงๆจริงชาใสดูทานไม่ดูยาไม่ รักษาตายใจของตนนะคิดไปจากปกติมันจะดีบ้างเวลาจะสั่งจัดมันจะไปชั่งตายใไปผูกนี่คือการจะรวบเราว่างรักษาฟืนตายถ้าว่าใจนี้รักษาแล้วก็จะคิดฟืน กรดูพนอกสูงถึงเท้าว่าดีนี้ความพุความสบายสงบทีลกผัวชงสารเป็นผ้าใส่ช้างสงสารไม่เนื่องีนี้ความบรุทธมีความฟองใส่มีความพุใส่พอจดีเดือหล่อนยิ้ได้บาดจีนเราขาดจีนเราดังเฉยจีนเราเสียหาย มีเื่องของมีความความสบายบัความเบียนหานกันเรยรัลย่้นยงเล่ากันบอกประพฤตินอกึนอกของกันและกันบ่เหอกยนต่างๆคนอื่นเขา แก่หายตับแล็งบิอยากลละกอนบอกทรประมาทถึงแก่ตัวกินเหลว่เอก็จะ้มดมเื่อมาแล้วจะอยดเแล้วยิ่ไปเพิ่มตุบ่าต่อไปมันจเริ่บ่าต่ออีก นัรวะีงรักษางานืนนรักษาืนได้ีความุกใจ่งขีได้นีความุกี้ไั้งุกข์เยียนลายตังางีอไปบ ข้อมดตันหามืซื ay, ้อมือข้มอุกคนท่อซื้อข้อมือด้นมือซือดูไม่ใสชามทีไว้เนียเนไพ่จะบัหังมีกันกระโวกกระไพ่เน่มีเหนื่อยๆจ้องเจียนในตามันจะเจ็บปวดไปเถียเสือห้าวเจียนในหูทีกันเจียในแขวหเดี่ือกันจียนในแขน้ใสไม่เนี้งสายไปไหนก็ดีทั้งนั้นแะ สิ đấy, ่งทีอบริให้เนือซลคือพ่ในต้ง่มในมนุษย์มีอยู่นมืด่างแบบนีอยู่ในกบเพื่อแบบท่านเห็มีอด่างนั่นกเพื่อนั่นต้นบนนั่นอันเพื่อนั่นก็เพืนั่นแบบดีแบบง่ายบบดุแบบสบายหนุนใจมืโลคือไพ้มันจะห้รักจาต่ปกยงาบบ ภาวนาการอาวมณ์ชิดใจให้คล่งใส่ทำชิดใจให้สงบทำเรดีให้เกิดสิ่ละครื่องเครื่งีอยู่ให้จบไปเวลาภาวนาการรักษาชิดใจการรักษาอารมณ์สัณย่างจิตใจย่ยยุ่งเกิดกรมมาตัญหาภาวะตัญหายิ เวลาปัญหาต่างๆถามันตกคล้องเกื่อเชลิ้ลงแล้วลมอมว่างในช่งทางที่เยอะหน้าเดือดเตี้ยเดือดจังหาหวนตานเป็นจิงจิตเป็นละถอบ้างจรงจิจิตคลองต่อมต่างๆเขว้างยว หายนเย็นมีื่อการพอหน้ละชื่อเลดเนื้อนี่งปัจจุบันทานตาจิตใ้งอกสงบจิตใจ้งนอกสบายจตใ้งนอกเป็นสุขมเบียดเบียนอจฉาคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นจิความเป็นไคดไม่ใจ แงาลังเงาหยอกเยียนเป็นบุญเื้อยจะไม่จยไม่เเป็นาิายควในการบการกุเ็นเขาทาบุญพื้นท้ไปชการงงานเขาพั เดือดทามอันใดเสียเหลือได้อยู่วนพักวนเศร้าวนอยู่วนอาศัของกูดาอาจารย์หลังเี่ยหลังก็ไปนเาหสายตางจับงงนเสียงเียนะ ยื้อเลี้ยงไปยื้อเลี้ยงน้อยเดิมปวดตาน้อ่าซึ่งน้อยจีไปชวนทำเดิม a ริงใช้เดินใช้สูขันใช้เมื่อิดแต่คุ้มแต่ท่ำเขาเน่าเขาก็ท่ำไปเี้เรื่อว่ายจำไหมอะไรใจวย็นไหมทำอ่างทำเต๋อว่เป็นคน ดูที illing, ik, state, an an. ่คิม่น่ด็กดันดูที่รันโบ้ดูทำนุ่งทำเน่วนุ่งเหียดงัไุน่ั่าอ่ะเยไปใจย่้าบอลหน่อมัวงบุปฏิภาณ ดึสคอสัมผัให้ับอื่นให้รับคันสุดเนเป็นความตึงยึดตึงูม้ใจคิดคิดยังนี่เดียวใจายดิต่ใมันเมื่อพน้ า, า, นามา่อันนเมื่อพน้าขึ้นเงีช่ดีอยู่นอื่นเขนทำวเขนต่างไหว ใจจะอยวจะย็นทำการอิจฉาารหวงตังๆได้เดนเกิดคึดไมคิดไม่ใจคิดได้กลุดดู่เร่องเท่าไหร่ทำมาเพื่อจนาไมก า, าอทำมาทำามแ่อนขึ้สิ เดิวอยู democracy democracy, ่ยสลาดเขาหยู่เขาสลาดเขาหยูจัและเชื่อมเพิ่มดีูังสอประโยชน์โลกมีโลกง่ายเขาอยู่จับเห็นไหมำมาเพื่อจะหน้าไม่มูการแสดงร้ำจะคนอื่นซ่องันดิน แต่ว่าไมา่ไม่สร้งข้ามของครามบูรุษสั้งข้ามของนาฏสร้างนาสังสารสร้างลาบจ้งมีเน้าเหี้ผลขีดผลข้นกปรติปริบัดนั่งไปเับตเปริบัิตามดิวิลลาสร้างก็ดตั้งใจสร้างบสิจมตก เกทั้งไม่เกิดเป็นทังสงบเกิดเนทั้สบายนีเกิดป็นน้าสายหาลูกพิถีพิจิตได้เพราะว่าการส้าท่านท่านจะเกิดบุเกิดคุท่านะเกิดเปตป็นนาี่ตามไม่เกิเป็นยาหาจึงการโดยยิ่งดยสรงท่านเกิดเป็นหน้าขึ้นได้ คือเป็นบุญค่เป็นบุญเปลไมบุญอนุญาว่าคิดคิดอ่วธรรมะตวนามิจิตวิจุกรรมทางความเห็นของตนให้ถูกให้ตรงบอกท่นความเห็นของตนขัดในอ้อม ติตรงไปเพราะอะไรเสียงตันน่ะวิธีการน่ีอยู่เป็นอยู่เพื่อเป็นเพื่คิดเป็นคดถูกเป็นถูกเลี้ยงไมละจริงีเพื่อจีบเสียจีแคิดเลี่ยงเงินเพื่อจรงถูกเห็ว่าจริงจียากและคิดเป็นทาง จะสงให้เ่อว่าใจใจคงเป็นก็เลยสั่งอาไว้ได้ดีแล้วมนพลาเลยนะท่านเนี่ยได้ก็บอกชื่อใจคตายเงินทิ้งเขาเหนื่อยได้ก็ยิ่ดีจะไปตามเรื่องหัวหนุ่มมีเสียงที่คิดเงาข้นมดีเอไว้บริเนื้อตามใจไสั่งที่ไดก็มีข้ามฟุ มีบุญ no, มีกุศลยังไงผลของผลยาเอาว่าเลยอย่ลืมเียบอ่าลืมฟอิใจเข่ามาเธอได้เงอน่เข้ามาเธอได้เงนค่า้ากินอันใดค่าใส่เข้ากับมันค่าเข้าค่ามันอ่าเนี้เมันค่าเข้าไน้นี่หยาดฝนหลู่ล้าง บ่งกล่องต่างๆนัน่ได้ฆ่า่เ่ามันเราไปจิบมันไปของมันไปจีมันไปชี้มั่นไปดกมั่นไปหามันมันเป็นออียงินเลยัราบ่าดรไ่เางมีโอกาสยอะล่ะอบรมใจว่าใจใจนี่กันไ ของ็จ้าข้าตอนใช้ก็ไม่ได้เพียงของมันค้ามีคนกับคนข้าหัวเนี่ยียวตนใชก็ออกไปไได้คนขาสดเ่กันเขาอยู่ใรักให้ใจแอนใช้คนตก็ได้งัวรักค่าแรงเลยแบบนเลี้ยเยอเี่ยเอานหน่ายนไม่เคยาย คือมาันไ่ดีโตผวโตเวโ่าโตเอวโตของโเองมันเขายกจุกเปี่ยนมนตายไได้ค่าเรสั่งล้นี่ฉบับมาอันใดเลยที่เหน้าครเนาไม่เลยสั่งันมั่งคนเดียวตายน่ไปฆยัเหละ คือกันก็มีท่านขึนาไหว้พระคิิดของนงนงอยู่ใีววม่มากเกินเลยคท่านโดนตายจิตขวางจิตจิตถึงจีวรนั่งนังเร็จแล้านั่งนอนไม่ได้เลยายไปแกลงตายมนาะคล่นีอาศัอยู่วรนั่นนี่เพื่นนา ยึ่ใอของถืข้ามใจก็ไหนก็ได้ถือของถืข้ามใจเหนื่อย้าแบข้าหิ้งจะตายไปซก็แปเป็นสีเขียวสีฟ้เข่าหิ้งนข้จะตาางจะยึมัดเ็นนี่ตัคนในกำมือยึดใจของข้าอาขาท่าข้าศิลป์ข้าใงา ไปสั่นเยไปกันสะไปผิดชิ้นผิดสบายเกิดเกิดเถียรพเถียรพิบเกิดไม่ผิดชิ้ผอย่านข้างี่คิงพ้นี่ด่ย่องข้างนคงผิดบะกล้องผิดกล้องขางนี่ันหน้ารานาวมี่ผดเมเกิดเป็นอูเป็นเต่าเข้าอยูไม่ผิดเกิดเป็นหา คปนแปดเนหนเป็นหาเป็นไปเป็นตามหาีหนีบีบบวนีลื่มหนีบหลงเหลวไปนีคข่มค่าข่มใจหนีบแมันขวดหนีบิมันขวด เป็นสอนให้าป็จุดอ่านพิมพ์พิจากณาฮะเวลพิมพ์พิจาราจเป็นประโยชน์อะไรให้พิจารเท้ากับึ้บังขึ้นเด็นสีเยอะแต่วันนี้นมีเศ้าหาเดียวเท่านี้มงเดียวนี้ไปยทง้างเดียวเท่าละไม่เดียวนึง งลีงไปงเกาดแงมเียสิสายเทีย่ตดแงอีกี้อยไม่เป็นเวทดเข้าวเยเพลละัเป็นน่สาวได้ข้าวเยีเป็นเทีย งแตมาไปันเ um th pues so ีุน่สายมนเนโครงยาดน่ินึเดิมแที่งหหง้เยหดไประยะ ยังค่ามันดีไม่ก็เมือหัวเมื่อโน่นรัมีอรับตาแบบเอามาสิส่วนนั้นดีไม่สาติดีไม่ก็บย่จองหมดเขาเอาดีดีหายบายสบายจบคนนึงนสิ่งนั้นจะส่วนคนใหญ่บยืนเงินไหมยืมตังอยากตังเงิน มีความสุข่สเป็นสอนหนนี่คือเสียงเียสาวอย่างนี้สอนเห็นนงั่านเดียวไห่หมือนพอ่่งนเห็นลูกเหเตาเหล่าเยี่ยมยัซื้อไหมฮะสั่งเน่ยสังเต่าห็นตรามบัตรเหรคือเต่าอนไงสน้องนั่นตราต้มบัตงโลก คนแต่สอนคสมบัติ่สอน่หินเัลกแาอย่างดยงดึ่งคนนีให้สมบัติงือแยังหาอย่างใดมีปักเป็นร่าีผู้ใดจารีณสอนเลี้งเงใจย่างเยายาศึกษา ยิ่งนั่งเพิ่มดีประหยัดเงินแต่ยังประโยชนไนยังางมใส้นอันอใส่ขึ้เราชางวกัือยวไปเรามีคนทุกคนสบายไปหัวไปหิวถึงอิพอได้ีเไแัง อยากมีหีย่้ไปเป็นเตียเปอซื้อละซนียิมยี่พอนี่จกินใจขี่เลยนี่การต่างซื้อค่ออยู่สเป็นพับสารหรือว่าจกินใจขี่้มีซนี่ถ้าเหนื่อยจอยากใสลรางมของสั เ็นมนุษเป็นทาใจหลังกายใจมาเป็นเหตุสอนจิตใจของตัวหยุดเดนฉันก้อยทั้งคุนง่ามคว่ำดีจะจิตเป็นตะเบียงซอไปค่านจิตข้นกต่จิตนี้จากหลังกายอนุญาตอยู่เวรพอท่านจิตนี้จิตจะข้นดอกเหน่อกันืนเหนืนเหื่อา เย็นหนาดีนามากแค่อยหมดไปหมดไปเม่้ี่ให้วผิลไปหลายคนรับไปขาทางกันลับไปแนเ้ารับผิวได้เร็วหน่อยหน่อยพราะเป็นไรออกมาเกิดเป็นเมน็ดมะขาดหายจนได้ก็ไร่ด้วยขาดท้นนี่ในตัวเย็นเหร บริบูรณ์จะทบ่เนี่ยัวเลยเดไปเด้อนนัวนาวนดีเอเอาละปนีานที่ดอล่ะีดีีสบายี ก็คิด n ้วยความมีเล่ห์บอกมีอยู่นี่หมายถึงว่าคนหลังโตแต่ก็น้ำข้นไปอยู่คอย่ายไป